แนะนำจับเตือนเฉพาะวันนี้แหละที่ได้มาพร้อมหน้าพร้อมตากันไอ้หัวลุ่งนะัมันไม่ได้พร้อมกันเลยนนเพราะฉะนั้นจึงต้องได้พูดเบ็ดผลเรื่องราวของการปฏิบัติพระพุทธศาสนานี่ถูกกันฟังอย่างโจงแจ้งไปเลยไม่ต้องปิดวัง ไปมัวแต่เพลงใจกันอยู่แล้วเขาไปไม่รอดก็เคยพูดอยู่แล้วคนทั้งคนน่ะมันมีใจดวงเดียวนี่แหละเป็นแก่นของคนนะแต่ใจดวงนี้ถ้าไม่ได้กรับการฝึกฝนอบรมแล้ว มันจักเป็นหลักของชีวิตที่ดีที่งามไม่ได้เลยนี่ต้องให้เข้าใจอย่างนั้นทำไมมันจึงเป็นหลักไม่ได้ที่มันเป็นหลักไม่ได้ก็เพราะที่เลสมันหุ้มพ่ออยู่ที่เลสมันปั่นเอาให้ใจเลอะแหละอ่อนแอท้อแท้ไม่มีกําลังที่จะบังคับกายวาจาทำดีพูดดีได้ นี่อานุภาพหรือว่าอำนาจของกิเลสมันถึงขนาดนั้นแหละให้พากันเข้าใจทีนี้เมื่อเรารู้ว่าชีวิตทั้งชีวิตนี่นะ่ะมีจิตดวงนี้เป็นแก่นแล้วเราก็จะต้องมาพยายามปรับปรุงจิตดวงนี้นะให้มันเป็นแก่นเป็นสารจริงๆนะให้มันตั้งมั่นลงไปจริงๆนะให้มันตั้งมั่นต่อบุญต่อคุณจริงๆนะ เอาบุญเอาคุณเป็นที่พึ่งในใจให้ได้อย่าไปเอาบาปมาเป็นที่พึ่งเราทําความดีทั้งหลายแหล่มานี่นะ<ม>ทําเพื่อใครล่ะนี่คิดดูให้ดีเราก็ทําเพื่อจิตดวงนี้เท่านั้นเองเพื่อทํำละจิตดวงนี้ให้ผองใสสะอาดปราศาจากกิเลสตัณหา ไม่ใช่เพื่ออย่างอื่นนะคิดดูให้ดีอันร่างกายนี้เรารู้กันอยู่แล้วว่ามันเป็นอยู่ได้ด้วยอาหารเราก็ปรุงอาหารเลี้ยงมันอยู่ทุกวันอยู่แล้วนี้อย่างนี้เลยแล้ววันนี้ยังอะไรวันนี้ก็ยังแต่จิตตรวเดียวเท่านี้เองนะที่เราจะต้องปรับปรุงมันนะาะฉะนั้าไอเราทำความดี ต่างๆหมูนนมหม่นั่นมาหมู่นั้นล้วนแต่เพื่อสะสมความดีทั้งหลายมาไว้ในจิตดวงนี้ให้มันเป็นกําลังของจิตดวงเดียวนี่นะจิตดวงนี้ถ้าหากว่ามันไม่มีบุญกุศลเป็นกําลังแล้วมันจะละบาปไม่ได้เลยมันเป็นอย่างนั้นเรื่องของเรื่องนะมันละบาปไม่ได้ เพราะว่าดีกับชั่วเนี่ยมันเป็นศัตรูกันฝ่ายไหนมีกำลังมากฝ่ายนั้นก็ต้องเอาชนะลงได้เมื่อเป็นเช่นนี้เราจะไปสร้างความชั่วให้มันมากขึ้นในใจแล้วมันก็ความชั่วนะั้นก็ขจัดความดีออกไปเท่านั้นเองนี่เมื่อเรารู้อย่างนี้เราก็พยายามสร้างกุศลความดีต่างๆให้มันมากขึ้นส่วนความชั่วนั้นก็ตัดทอนลงไปเรื่อยๆ เช่นนี้แล้วกิเลสบาปประธรรมเหล่านั้นมันก็เบาลงไปได้เลยเพราะว่าจิตเราไม่ส่งเสริมมันนะเราส่งเสริมแต่บุญกุศลความดีนี่ต่างหากนะทำยังไงที่ว่าไม่ส่งเสริมความชั่วนะบางคนก็คงไม่เข้าใจหรอไม่ส่งเสริมจะยกตัวอย่างให้ฟังนะ ที่ยังมีใครเข้ามาชวนทะเลาะ อ, อย่างนี้นะมายกโทษตีเตียนอย่างนู่นอย่างนี้ไปเราก็กำหนดรู้ได้เลยว่าไอ้คนนี้มันเป็นมานมันจะมาชวนให้เราตกนรกมันจะชวนให้เราสร้างบาปสร้างกรรมนี่เราไม่เอาแล้วเราไม่เล่นด้วยเราก็หาทางหลีกเลี่ยงถ้าไม่หลีกตัยทางอื่นก็นิ่งไปซะเลยไม่พูดไม่เกี่ยวข้องเลย ถ้าพอรลีกใปทางด้วยทางกายแล้วก็รลีกไปเลยนี่เรียกว่าเราไม่ส่งเสริมก ร, รมชั่วมันเป็นอย่างนั้นแต่คนส่วนมากมันทำไม่ค่อยได้นะแบบที่ว่านี้นะ่ะนั่นแหละถ้าเขาด่ามาแนละ้วมันอยากด่าตอบเลยนะมันอดไม่ได้เลยอนะ่อย่างนี้นะก็เรียกว่าไปส่งเสริมความชั่วให้มันมีกำลังขึ้นนะเรื่องของเรื่องอะเป็นอย่างนั้น เอาถ้าเราต้องการอะไรกับใครไปติดต่อขอเขาเขาไม่ให้ก็พะยุกโทษเขาเอา้ยคนนี้มันตนีเหลือเกินขออะไรนิดหน่อยก็ไม่ได้เอาหนะ้าทีเขาไอท้ทีทีเราอย่างนี้เอาถึงทีเขามาจะได้รู้กันผูกใจเจ็บไปแล้วพอเขามาติดต่อขออะไรเราภายหลังมา เราก็ตอบโต้เขาทันทีไม่ให้เราไม่ให้เพราะแกยังไม่ให้อะไรฉันเลยฉันไปข อ, อยังไม่ได้นี่อแบบนี้นักปราดท่านไม่ทำกั น, นให้เข้าใจไว้พระพุทธองค์เจ้าทรงตัดไว้ว่าเพิ่งเอาชนะความตณีด้วยการให้อย่างนี้แหละเอาเขาตณี เราไปขออะไรเขาเขาไม่ให้เอามาให้ก็แล้วไปแต่บางทีเมื่อเขามาขอเราเอาเราให้ไปไม่เป็นไรเราไม่ต้องแก้แค้นกันหรอกเราให้ไปพ<ม>อที่เราจะให้ได้เราให้ไปเลยบันนี้ภายหลังคนนั้นรู้ตัวได้ ม, มันจะขจัดความเห็นแก่ตัวออกไปได้แล้วบันนี้อมันนึกได้เลยแหมเราทากับเพื่อน แทนที่เพื่อนจะแก้แค้นเราเพื่อนก็ไม่แก้เลยเราไปขออะไรเพื่อนเพื่อนก็ยังให้มาอยู่ผู้นี้นับว่าใจดีเหลือเกินมีเมตตาอาลีในที่สุดคนนั้นก็ต้องเอาอย่างนี่แหละการที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ผู้ใดปฏิบัติตามนั้นได้รับผลดีจริงๆ ได้เป็นประโยชน์ทั้งตนและทั้งผู้อื่นแต่คนไม่อยากทำตามเรื่องมันน ะ, ะเพิ่งเอาชนะความโกรธด้วยไม่โกรธตอบอย่างนี้นะพระองค์เจ้าสอนไว้นะมีกี่คนอันที่จะทำตามคำสอนข้อนี้ได้นะร้อยละหนึ่งคนมีหรือไม่หนอแทบจะไม่ได้เลย น, ะนั่นเลย ถ้าว่าผู้ใดามาปฏิวัติตามอย่างนี้แล้วมันก็ไม่มีเวนตามสนองเลย <ừ. S 1> ไม่มีศัตรูแล้วแม้อยู่ในโลกนี้ก็ไม่มีศัตรูละโลกนี้ไปเกิดในชาติหน้าต่อไปนั้นก็ไม่มีศัตรูเลยเ <ừ. S 1> ป็นอย่างนั้นเพราะว่าเมื่อเขาโกรธเรามาเราไม่โกรธตอบนี่เขาพูดคำชั่วร้ายคมหยาบคายแก่เราเราพูดคำอ่อนหวานต่อเลย เราพูดคำดีต่อเอาอย่างนี้มันจะทนอยู่ได้หรือคนชั่วไรเหล่านั้นมันทนไม่ได้หรอกสักหน่อยมันก็ดีกับเราแล้วอย่างนี้แหละเวรทั้งหลายมันกำลังงับไปป่านี้นะนี่ยกตัวอย่างให้ฟังว่าการที่คนเราน่มันอาจระความชั่วออกจากจิตใจได้นั้นก็เพราะว่าทำความดีนี่แหละให้เกิดมีขึ้นอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละ กว่าเมื่อเขาทำไม่ดีต่อเรานะเราทำดีต่อเขาอย่างนี้นะนี่แหละมันก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยระ ง, งับเสียซึ่งความชั่วร้ายต่างๆไม่ให้เกิดขึ้นได้ เ, <อ>เป็นอย่างนั้นให้พากันจำเอาไว้คำสอนอันนี้นะ<อ>แล้วลงมือปฏิบัติตามนะมันมันเป็นสิ่งจาเป็นที่เราจะต้องปฏิบัติตามจริงๆนะถ้าใครไม่ปฏิบัติตามแล้วก็ ไม่มีหวังหรอกมันจะพ้นทุกไปได้พ้นกรรมพ้นเวรไปไม่ได้เลยก็จะต้องได้ไปสวยผลแห่งกรรมแห่งเวรอันที่ตนสร้างเอาไว้ในโลกนี้ต่อเนื่องกันไปไม่ขาดสายเลยเป็นอย่างนั้นพูดถึงความรักความใคร่ก็เหมือนกันถ้าผู้ใดหักไม่เห็นโทษแห่งความรักความใคร่อันนี้เสียเลยอย่างนี้ ไม่ตั้งแต่ส่งเสริมให้มีความรักความใคร่ ย, ยิ่งยิ่งขึ้นไปอัอนนี้มันก็เป็น ร, รมเป็นเวรอันหนึง่ง<ม><อ>เกิดไปชาติใดคนผู้นั้นก็ไปเป็นธาตุแห่งความรักความใคร่อยู่อย่างนั้นแหละแล้วก็ไปทำบาปทำความชั่วเพราะความรักความใคร่อันนั้นแหละ<ม>อย่างนี้อ่ะมีอยู่ทมไปในโลก น, นี้บุคคลทำชั่วด้วยความรักความใคร่นี่นะ ถึงกับฆ่ากันตายเยอะแยะในโลกอันเนี้ยเนี่ยเราต้องพิจารณาให้เห็นอย่าไปนึกว่าถ้าหากว่าไม่เอาใจจดจ่อความรักความใคร่แล้วมันก็จะไปมีรสชาติอะไรอ่ะความรักความใคร่นั่นอ่ะมันก็จืดชืดไปหมดที่มันไม่เป็นเช่นนั้นหรอกความจริงนะ คนเราเกิดมาในโลกนี้มันก็อาศัยความรักนั่นแหละเป็นมูลเหตุที่ให้คนเราได้ทำคุณงามความดีต่างๆนะไม่ใช่เราอาศัยความชังนะเราอาศัยความรักเป็นเหตุให้เราทำกุศลคุณงามความดีเช่นอย่างว่าไอ้ลูกกับพ่อกับแม่อย่างนี้นะนั่นลูกนั่นมองเห็นคุณพ่อคุณแม่ ว่ามีอุปการะแก่ตนอย่างหาที่เปียบไม่ได้เลยนึกอย่างนี้ก็รักพ่อรักแม่ เ, ออเมื่อรักอย่างนั้นแล้วก็ทำยังไงพ่อแม่จะมีความสุขผู้เป็นโลกนี่ก็ต้องอาหาหนทางให้พ่อแม่ของตนได้มีความสุขออผู้เป็นโลกน่ะทำอะไรลงไปให้พ่อแม่ได้มีความสุขสบายลูกกระพรอยได้บุญกุศลด้วยแล้วก็เป็นการตอบบุญแทนคุณค่าเข้าป้อนละน้านม ที่ท่านได้เลี้ยงดูมานั่นด้วยแล้วก็ทั่งได้บุญได้กุศลด้วยนี่เนื่อคนเรานะอะเมื่อรักเป็นนะรักเป็นความรักอันนี้ทําให้คนเราได้สร้างกุศลคุณงามความดีเรารักพระพุทธเจ้ารักพระธรรมรักพระสงฆ์อย่างเนี้ความรักอันนี้ไม่ประกอบไปด้วยราคะตัณหาเรารักพระพุทธเจ้าก็เพราะว่าเราสืบ รู้ประวัติความเป็นมาของพระพุทธเจ้าว่าพระองค์เป็นคนดีพูดง่ายๆวันเถอะดีจริงๆไม่ใช่ดีเล่นๆน่ะเป็นยอดแห่งความดีะเป็นยอดแห่งคนดีะไม่มีใครที่จะดียิ่งไปกว่าพระองค์ได้เลยอะเราได้ฟังประวัติของพระองค์มาอย่างนี้เนี่ยด้า น, นเราจึงได้เคารพรักพระพุทธองค์ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เห็นรูปร่างพระองค์จริงๆ เราเห็นแต่รูปหล่อนแทนพระองค์ะเราก็ยังเคารพยินดีกราบไหวลงด้วยความเต็มใจเลยยังสมมุติคล้ายๆกับว่าพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนมาชีพอยู่ในความรู้สึกของผู้มีความเลื่อมใสแรงกล้าเป็นอย่างนั้นนะอย่างรูปที่ปดิสถานอยู่บนแท่นอย่างนี้เลยผู้มีความเลื่อมใสแรงกล้าพอเห็นเขาแล้วอย่างนี้่ มันเกิดความรู้สึกเลื่อมใสกันอย่างรุนแรงรุนแรงคล้ายๆกับว่าพราะองค์ยังมีพระชนม์าชีพอยู่นู่นแล้วเป็นเหตุให้กลาพลงไปด้วยความเลื่อมใสด้วยความอ่อนน้อมจริงๆเลยไออย่างนี้แหละเรียกว่าความรักอันมันไปไม่ประกอบไปด้วยราคะตัณหานะมันก็เป็นเหตุให้คนเราได้สร้างบุญสร้างกุศลนะ่ะเป็นอย่างนั้น ลองคิดดูคนที่ไม่เลื่อมใสในผู้เจ้าไม่สนใจไม่ทราบประวัติความเป็นมาของพระ อ, องค์เห็นรูปหล่อของพระ อ, องค์นี่เราก็เฉยๆเรื่อยๆ เ, เขาหาได้มีแก่ใจที่จะมากราบมาไหวมาระลึกถึงคุณความดีของพระ อ, องค์ไหมเขาก็เห็นไปตามธรรมดาเหมือนอย่างรูปหล่อทั้งหลายหมู่นั้นเลยอย่างนั้น คนพวกฉะนั้นล่ะเขาก็ไม่ได้บุญกุศลกับรูปหล่อของพระพุทธเจ้าเลยไอย้พวกที่เขารบรักอย่างที่ว่ามานั่ น, นแล้วกราบไหว้สักการะบูชาแล้วก็เป็นเหตุให้พอใจในการปฏิบัติตามคําสอนของพระองค์เมื่อเขารบต่อพระพุทธเจ้าแล้วมันก็ต้องยินดีปฏิบัติตามพระธรรมคําสอนที่พระองค์เจ้าแสดงไว้นั่น เราคิดดูมันก็นมันก็นต่อเนื่องไปอย่างนั้นแหละแล้วก็ไปเหนื่อยได้เขารบรักในพระสงฆ์อีกด้วยเพราะว่าพระสงฆ์นั้นได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามแนวทางที่พระองค์ทรงบำเพ็ญมาแล้วได้ปฏิญญาณจนนับถือพระพุทธเจ้าว่าเป็นครูเป็นศาสดาจริงๆได้ปฏิญญาจนต่อหน้าสงฆ์ในวันบวชนี่ อย่างนี้เล็แล้วปวนมาแล้วก็ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์ให้เต็มความสามารถไม่แสดงความชั่วช้าเร็วซามให้ปรากฏออกไปในชุมชนคนทั้งหลายได้เห็นพระสงฆ์ตั้งอยู่ในอาการอันสงบก็มีความเลื่อมใสโดยมาแล้วเรียกว่าอ๋อท่านเหล่านี้เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าจริงๆเป็นผู้เชื่อเป็นผู้ทาตามคาสอนของพุทธเจ้าจริงๆ น่าเลื่อมใสน่าเข้าใกล้น่าสนับสนุนด้วยปัจจัยสีนี่ผู้มีศรัทธามีปัญญาทั้งหลายได้ลำลึกถึงคุณพระรัตนกลายอย่างนี้แล้วนั่นแหละถึงได้เข้าใกล้พระเจ้าพระสงฆ์สนิทสนมเอื้อเฟื้อเกือ้อกูลสละเข้าของเงินทองออกมาโดยไม่เสียดายเลย ก็จึงได้เป็นวัดเป็นวาเป็นศาสต ร, รปัามาอยู่อย่างนี้เลยลองคิดดูให้ดีเนี่ยพูดถึงความรักนี่นะเรียกว่ารักเป็นศิลรักเป็นธรรมอ่ะก็นําให้เราได้สร้างบุญสร้างกุศลรักครูบาอาจารย์อย่างนี้ก็ต้องเชื่อฟังคําสั่งสอนของท่านเมื่อท่านแนะนําอย่างไรก็พยายามทําตามจึงเรียกว่าเคารพรักจริงจิงอ่ะ เพียงแตรรักธรรมดาเฉยๆแล้วไม่ยินดีทาตามคาแนะนำสั่งสอนของท่านความรักอันนั้นประกอบไปได้วยกิเลสไม่ประกอบไปได้วยถินธรรมไปอย่างนั้นข อ, ขอให้พากันคิดดูให้ดี อ, อันนี้แหละที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงเรื่องการบูชาไว้สองอย่างนั่นนะ อ, อามิสบูชาหนึ่งปฏบิบัติบูชาหนึ่ง เมื่อเราไม่มีสิ่งของที่จะบูชานะเราก็เอากายวาจาใจนี่บูชาไปเลยเพียรละกิเลสความชั่วออกจากกายวาจาใจนี่นี่เป็นการปฏบิบัติบูชาอย่างสูงเลยทีเดียวเป็นสมณะเนี่ยไม่มีเงินทองเข้าของอะไรจะให้ทานเหมือนอย่างชาวบ้านนะเอา้าเราก็พยายามทำความเพียรภาวนากำจัดกิเลสราคะโทสะโมหะ อันมันหมัมกดองอยู่ในจิตใจนี้ให้มันเบาบางออกไปเรื่อยๆนี่เป็นการบูชาพระคุณของพระรัตนกรเป็นอย่างยิ่งเลยก็เรียกว่าเป็นบุญอย่างสูงเลยทีเดียวแม่ชาวบ้านก็เหมือนกันแหละเมื่อเราไม่มีเงินหมื่นเงินแสนจะไปโทษผ้าป่าบังสกุลอะไรได้อย่างนี้นะเาเราก็มาปฏิบัติกายวาชาใจของเราเนี้ยให้ตั้งมั่นอยู่ใน คุณงามความดีอย่าให้สะสมกวามชั่วใส่ตัวก็อย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละเขาดามาย่าไปดาตอบอย่างนี้เราอดได้ทนได้เราหลีกเลี่ยงความชั่วเหล่านั้นได้นั่นแหละเป็นการปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าโดยแท้พระองค์ไม่ได้มุ่งหวังเอาอะไรกับพุทธบริษัทเลยนะเพราะว่าพระองค์ละหมดแล้วสิ่งทั้งพวงในโลกอันนี้นะพระองค์อิ่มหมดแล้ว แม้จะเอาไปให้พระองค์ก็ไม่เอาพระองค์ทรงมุ่งหวังว่าให้พุทธบริษัทู้เลื่อมใสในพระองค์นั้นนะพยายามฝึกตนทรมานตนละกิเลสตัณหาบาปรธรรมให้หมดไปจา ก, กจิตใจนี้ให้ได้อันนี้เป็นพระประสงค์ของพระพุทธเจ้าโดยแท้เมื่อเราเข้ารบนบถือพระเจ้าเราก็ต้องเอาสิทาตามเนี่ย เมื่อเราทำตามเราก็พ้นทุกไปตามได้จริงๆนะถ้าพ้นทุกถึงปฏิพานยังไม่ได้ก็เรียกว่าพ้นทุกในอาวัยบุญทั้งสี่ตายแล้วไม่ไปตกนรกไม่ไปเป็นเปรตไม่เป็นอสุรกายไม่ไปเกิดในกำเนิดสัตว์ดิบฉานนี่เราพ้นทุกหยาบๆอันนี้ได้เลยทีเดียวถ้าเราตั้งใจปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าจริงๆนะ โดยเฉพาะกับเรื่องศีล น, นี่แหละเพยายามรักษาศีลในบริสุทธิ์ให้ได้อย่างนี้แล้วก็นี่แหล ะ, หละเป็นการปฏิบัติบูบชาพระพุทธเจ้าในขั้นหนึ่งเลยทีเดียว mm. การที่เรานั่งสมาธิภาวนาไม่ท้อถอยไม่เกียดคร้าน mm. มีความอดความทนต่อหนาวต่อร้อนต่อความเจ็บปวดต่างๆนานา ถ้ไม่เหลือววิสัยอย่างจริงจับไม่ท้อถอยนี่ทําความเพียนเรื่อยไปอย่างเนี้ยพยายามควบคุมจิตที่มันพุ่งสร้างเลื่อนลอยให้มันสงบลงไปให้ได้ทําใจสงบลงไปได้แต่ละข้างละคราวนี่นี่แหละเป็นการปฏิบัติบูบชาพระพุทธเจ้าอย่างสูงแล้วเราก็จะได้บุญได้กุศลอย่างสูงอีกเช่นเดียวกันนั่นแหละ นี่เรียกว่าบุญอย่างสูงนะบุญเกิดจากภาวนานะ่ะคอยพายัาเข้าใจสูงกว่าไปทอดผ้าป่าทอดกรถินหมดเงินต้องเป็นแสนเป็นหลายแสนนู่นนะเออการภาวนาทําใจสงบลงได้ครั้งหนึ่งหนึ่งเนี่ยมีอในสงฆ์มากกว่าทษผ้าป่าบางังสกุลหมดเงินเป็นแสนแสนนู่นออืให้ให้ให้พากันเข้าใจ ทำไมจึงว่ามีอา น, นิสงส์มากกว่านี่บางคนก็อาจจะสงสัยหละที่มีอา น, นิสงส์มากกว่าก็เพราะว่าเมื่อบุคคลใดทําใจสงบลงได้นะมันทําให้กิเลสอนนันมันหมักตรองอยู่ในจิตใจนี่เบาบางออกไปอืมก็แต่ไหนแตะไรมาเมื่อบุคคลไม่ภาวนาแล้วไม่มีทางที่จะกําจัดกิเลสออกจากจิตใจนี้ได้หน้อยหนึ่งก็ออกไม่ได้ การที่จะละกิเลสให้บาบางออกไปจา ก, กจิตใจได้นี่ต้องเกิดจากการภาวนาพยายามสะกดกจิตใจที่มันเลื่อนลอยอ่อนแอเนี่ยพุ่งสร้างอยู่เนี่ยให้มันส ง, งบลงไปให้มันหยุดคิดหยุดนึกหยุดทรงใจไปภายนอกให้ได้เนี่ยถ้าวางคับจิตนี่ให้ส ง, งบลงไปได้อย่างนี้นะเราจึงมองเห็นหนทางที่จะละกิเลสได้ แต่ว่ามันก็ยังยังละไม่ได้เด็ดขาดออกในขั้นเอสมาธินี่นะแต่ว่ามันทําให้กิเลสมันอ่อนกําลังลงมันจะไม่ลุกขึ้นมาเล่นงานจิตใจของเราได้ในขนาดนั้นนะออมันมันจะสงบลงไปมันแต่ว่ามันไม่ขาดนะมัแต่มันสงบตัวอยู่มันไม่ดิ้นในขนาดนั้น่ะในขนาดจิตใจสงบอยู่นะ เี่มันทําให้กิเลสอ่อนกําลังลงวันนี้ต่อจากนั้นไปเราเจริญปัญญาที่ว่านี่นะนนเจริญปัญญาเนี่ยทํายังไรเจริญปัญญาก็สังเกตดูแล้วจิตใจมันไปคล้องอยู่สิ่งใดอ่ะเราก็กําหนดเอาเรื่องนั้นมาพิจารณาจนให้จิตนี่มันเห็นชัดว่าไอเรื่องที่จิตใจไปคล้องอยู่ในสิ่งนั้นอนะมันไม่มีสาระแกนสารอะไรเลย มันเป็นความหลงของจิตโดยเฉพาะไปคล้องอยู่แล้วก็มีแต่จะประสบกับความทุกข์ความสุขไม่มีอะไรนี่เมื่อปัญญามันแจกแจงให้จิตได้รู้ได้เข้าใจอย่างนี้แล้วจิตก็เบื่อนายก็คลายความยึดถือในเรื่องนั้นออกไปได้นี่เมื่อใจมันไม่ยึดถือมันคลายออกไปแล้วมันก็ดับไปแบบนี้กิเลสนั้นนะมันเป็นอย่างนั้น นี่การที่จะละกิเลสได้ขาดจริงๆน่ะละได้ด้วยปัญญาแบบนี้นะให้พากันเข้าใจในสมาธินั้นเพียงแต่ว่าคมกิเลสลงไปอย่าให้มันมีกําลังกล้าเกินประมาณนะเมื่อกิเลสมันสงบตัวลงไปได้แล้ววันนี้ใช้ปัญญาค้นหาตัวมันแบบนี้ค้นหารากเง่าของมันแบบนี้รากของกิเลสระนี้มันอยู่ตรงไหนอ่ะอย่างนี้นะ เมื่อเทียงวิจินาไปมันก็มันก็รู้ได้มันก็เห็นได้รากของกิเลสเหล่านี้มันอยู่ที่จิตใจมายึดถือขันห้านี่ว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาอ่ะนี่รากของกิเลสนั้นมันอยู่ตรงนี้เมื่อรู้อย่างนี้แล้วก็สอนใจให้ปลงให้วางขันห้านี้ลงไปอย่าให้มันสำคัญแล้วเป็นเราเป็นของของเรา อย่าไปหวงมันอนะ่ะเอาใครจะด่าก็ยอมให้ด่าใครจะสรรเสริญก็ยอมให้สรรเสริญไม่ว่าอะไรไม่ดีใจไม่เสียใจอย่างนี้แหละจึงเรียกว่าเราหัดปรงหัดวางขันห้าลงไปอะ่ะแต่ถ้าว่ามันไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางขันห้านี่อย่างนี้ใครดา่าเข้ามาเนี่ยมันก็อดไม่ได้ะมันก็ต้องด่าตอบใครโกรธมาก็ต้องโกรธตอบ นั่นในลักษณะของขิตใจที่ยึดมั่นอยู่ในขันห้ามันก็เป็นเช่นนั้นนะ่ะแล้วมันก็สร้างกรรมสร้างเวรขึ้นไม่จบไม่สิ้นลงได้เลยนี่ผู้มีปัญญาทั้งหลายท่านพิจารณาเห็นอย่างนี้แหละจึงได้พยายามภาวนาสอนใจนี่ปล่อยวางขันห้านี่เรื่อยไปเลยสอนให้มันปล่อยมันวางเรื่อยไปแล้วไม่ใช่ว่าสอนให้มันปล่อยวางทีเดียวแล้วมันเล้วไปเลยไม่ใช่ ก็เมื่ออินทรีย์มันยังอ่อนอยู่นะมันก็ยังวางให้เด็ดขาดไม่ได้แต่เมื่อเราพยายามฝึกปัญญานี้ให้มันแหลมมันคมมันกล้าเข้าไปเท่าไหร่เมื่อปัญญานี่มันกล้าเข้าไปได้มันแหลมคมเข้าไปเท่าไหร่มันก็สามารถตัดรากของกิเลสขาดออกไปได้มันเป็นอย่างนั้นปัญญานี้มันก็เป็นขั้นๆไปเหมือนกันนะอปัญญาตู้ตู้กมีปัญญาตู้ตู้แล้วมันก็ จะไปตัดรากของกิเลสขาดไม่ได้เลยอการที่เราหัดคิดหัดวิจารเหตุผลต่างๆไม่เท่าไม่ถอยเนี่ยกระอุพมาเหมือนอย่างมีดพระที่เราไปรับไปรับใส่หินนั่นนะไปถูใส่หินน่ะถูไปถู ม, ถปถมานานเข้าคมมันก็บางออกบางออกอืในที่สุดมันก็คมกริบไปเลยแบบนี้อ่านเลยอันนี้เหมือนกันแหละเราหัดคิดหัดวิจารณ์ ในเหตุผลต่างๆเราจับเหตุอันใดได้นะเราวิจารณ์เหตุนั้นนั้นดูให้มันเห็นแจ่มแจ้งในเหตุนั้นทําเป็นจริงลงไปอย่างเนี้เหมือนก็ทําให้ปัญญานั้นแหลมคมขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งนั่นแหละปัญญามันจะกล้าขึ้นไปได้ก็เพราะกันหัดคิดหัดวิจารณ์ไปมาน่ยไม่ท้อถอยนั่นแหละอันอยู่เฉยๆจะให้ปัญญามันจเจริญขึ้นนั้นไม่มีทางนะ ไม่เข้าใจกันคนแล้วกันแหละท่านพุ้ละอาสวะกิเลสขาดจากสันดานได้เหล่านั้นรู้วนตั้งแต่เป็นผู้ใช้ปัญญานี่แหละดลําเยตรีตองสอ น, สอนจิตสอนใจนี่เลื่อยไปเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าของเราเนีนะ่ลองฟังดูประวัติของพระ อ, องค์สิ อา้าวทีแรกพระองค์ก็ทรงเข้าพระทัยว่าการทรมานพระบวรากายนี่น่ะมันจะเป็นไปเพื่อความสิ้นไปแห่งกิเลสตัณหาเมื่อทรงเห็นอย่างนี้แล้วก็เรื่องนี้นะพระองค์ก็ได้ตัวอย่างมาจากพวกฤาษีดาบท่านในครั้งนั้นนะพวกฤาษีดาบเขาทรมานร่างกายเขาจิงิงนะเอาจนสูบจนผอม วางพวกก็อนไปตีปเอาเหินนั่นเอาสะเก็ดหินคมๆมันนั้นมากรีดตามร่างกายนี่ให้มันเลือดไหลให้มันเป็นแผลเน่าเววะเจ็บปวดทุกขเวทนาะโดยเข้าใจว่าเมื่อมันเจ็บมันปวดอย่างนี้แล้วจิตมันจะไม่คิดไปในเรื่องรักเรื่องใครเรื่องพอใจอะไรต่ออะไรในโลกมันเข้าใจกันไปอย่างนั้นเพราะฉะนั้นหนึ่งได้เอา คมหินอันนั้นมากรีดร่างกายเนี่ยให้เจ็บให้ปวดเข้าไปแต่แล้วพระพุทธเจ้าทรงต ร, ร, รัสว่ากรร ม, มวิธีอย่างว่านั้นก็ไม่ไม่สามารถจะละ ก, กิเลสได้ละไม่ได้พไเพราะไปเสวยแต่ทุกขเวทนาอยู่นะมันจะมันจะไปละ ก, กิเลสได้ยังไงอ่ะไอพูกที่จะละ ก, กิเลสได้นั้นต้องทําจิตนี้ให้สบายให้เบิกบานให้พองใสนี่ให้สงบนั่นแหละ เมื่อใจสงบใจเบิกบานอย่างนใช้ปัญญาสอนมันเข้าไปจิตนี่เห็นตามปัญญาเละมันกดละกิเลสได้เลยแบบนี้ออมันเป็นอย่างนั้นนี่แนวทางที่พระศาสดาทรงทรมานพระวรากายครั้งแรกเอาจนว่าผูกซูพรวามลงไปยังแต่หนังติดกระดูกเห็น<อ> <He S 2> ว่ามไม่ใช่หนทางจัตสรุแล้วก็ทรงดำริต่อไปว่า เออการทำความเพียรในโลกนี้นะ่ะไม่มีใครที่จะเท่าเทียมเราแล้วเรานี่ทำความเพียรอย่างยอดเยี่ยมเลยถึงปัจนนี้แล้วก็ยังไม่สามารถจะจัดสรุสมมาสมโพธิญาณได้ไม่ทราบว่าทางไหนหนอเป็นทางจัดสรุสัมมาสมโพธิญาณเนี่ย อ, อืมเมื่อพระ อ, องค์ทรงพระดำรีขึ้นมาในพระไทยอย่างนี้แล้ว ก็ด้วยอำนาจแห่งพระบารมีธรรมที่พระองค์ได้สั่งสมอบรมมาแต่อเนกชาตินะั่นมันเต็มบริบูรณ์แล้วนะพระบารมีของพระองค์นั่นนะก็จึงได้มาแสดงนิมิตให้พระองค์ได้รู้ได้เห็นน่ะอ่นิมิตให้ปรากฏให้เห็นคนมาดีดพินสามสายให้ฟัง น, ะนั่นแหละสายที่แรกยานเกินไปดีดมันก็ไม่ดังนะสายที่สองเคร่งเกินไปดีดก็ขาดเลยสายที่สามนี่ ไม่เคร่งไม่ยานเกินไปดีดเข้าไปเสียงดังไยเราะาะพิ้งเลยทีเดียววันนี้ก็ทรงวินิจฉัยได้เลยบนันนี้โอไอสายที่มันยานเกินไปนั่นเปรียบได้กับบุคคลผู้ที่มีจิตใจผูกพันอยู่ในกรรมคุณผูกพันพอใจยินดีอยู่ในกรรมคุณทั้งห้านั้น ผู้ใดมีจิตใจใฝ่ฝันผูกพันอยู่ในกรรมมรคุณทั้งห้านั้นย่อมไม่สามารถที่จะตัดสัรูมรรคผลนี้ผ่านได้เปรียบเหมือนเสายพินที่มันยาณเกินไปนั้นดีดเข้าไปก็ไม่ดังไพ่แล้วใครก็ไม่อยากฟัง อ, อย่างนั้นแหละไอ้สายที่สองที่ดีดแล้วขาดเลยเนี่ยอุปม า, าอย่างเด็ดเดียวจริงจงังจนว่าจะเอาชีวิตไม่รอด นี่ถ้าขืนทำอย่างนี้ต่อไปอีกมีหวังตายแน่นอนเหมือนกับสายพินสายที่สองเนี่ยมันเคร่งเกินไปอดออิโยคาไวจรเจ้าทั้งหลายทาความเพียรทั้งทางกายและทางจิตใจเนี่ยไม่ให้เคร่งเกินไปแล้วก็ไม่ให้หย่อนยานเกินไปให้พอดีพอดออีทางนี้เราจะเป็นทางกัตรรสัมมาสาัมโพธิญาณ เมื่อพระองค์ทรงกำหนดรู้ตามนิมิตนั่นได้แล้วก็จึงคลายความเพียรไปบินถบาทได้อาหารมาแล้วก็มาฉันบำรุงพระวรกายนั้นให้มีกำลังขึ้นมาโดยลําดับจนว่าพระวรกายของพระองค์นั้นมีกำลังตามปกติแล้วผิวพรรณวันละอันใดก็พุดผ่องขึ้นมาตามเดิมเช่นนี้แล้วพอถึงเดือนหกเป็นพระจันเต็มดวงนั นั่นแหละพ่อองค์เจ้าก็จึงนั่งขัดสมาธิบนแท่นบันลังใต้ต้นพระศีมหาโพธิ์นั่นแล้วก็ทรงเจริญอาณาปานสติพยายามทำจิตใจให้เป็นกลางวางใจให้เป็นหนึ่งส่วนร่างกายนั่นก็เรียกวอ่าบอมรุงให้มันเป็นปกติมีกำลังเลี้ยวแรงพอที่จะนั่งสมาธิได้ตลอดคืนยั่งลุง่งอย่างนี้แหละ คนที่มีร่างกายผายผมสูบซีดลงไปอย่างนั้นอ่ะจะไปนั่งสมาธิภาวนาให้ตัวตรงอยู่ได้ตลอดคืนน่ะทำไปไม่ได้นั่นแหละครงเจ้าถึงได้ฉันพัฒตาหารบำรุงร่างกายให้มีกำลังพอสมควรแล้วจึงเริ่มทำความเพียรตั้งแต่ปฐมมายามนี่ไปพอไปถึง ปชิมมัยามจวนสว่างก็ได้ตัดสู้สัมมาสัมโพธิญาณนั่นเรียวกว่าทางสายกลางนะเพราะองค์เจ้าทำจิตให้เป็นกลางวางใจให้เป็นหนึ่งได้ไม่ไปทรมานพระวรากายนั้นเกินขอบเขต <c oughs> อย่างนี้นะพากันเข้าใจไว้ปฏิบัติทาข้อปฏิบัติในพุทธศาสนานี่ซึ่งพระพุทธเจ้าของเราทำมาทั้งทางผิดทางถูก เพราะองค์ทำมาแล้วนะขอให้เข้าใจกันเราต้องศึกษาให้รู้ให้เข้าใจทางผิดนั้นทำอย่างไรนี่ดังที่อธิบายให้ฟังมานี่แหละถ้าผู้ที่มุ่งหวังความสงบถูกทางด้านจิตใจ จ, จริงนะมันก็ต้องผ่อนผันทางกา ม, มารมณ์แหละนี่ไม่ต้องไฝฝันไปยินดีพอใจในกา ม, มารมณ์อ่ะเป็นเช่นนั้น เมื่อเมื่อไม่ไฝ่ฝันไปในทางกรรมอารมณ์แล้วจิตใจมันก็ต้องสงบลงได้ง่ายน ะ, ะมันเป็นอย่างนั้นมันก็สงบลงได้ง่ายนี่ถ้าว่าผู้ใดมีจิตใจยังไฝ่ฝันในกรรมอารมณ์หรูอพอใจในกรรมมคุณอยู่อย่างนีนะ้จะมาภาวนาทำใจให้สงบนี่ไม่มีทางนะไม่มีทางจะทำได้เลย ก็เพียงแค่แค่ว่าเอา้าททำบำเพ็ญกุศลกรรมมาพะชนไปอย่างคนธรรมดาทั่วๆไปทำบุญให้ทานไปกราบไหวบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เอาเป็นที่พึ่งไปอย่างนี้จิตใจก็ประคับประคองให้ตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณไปเพราะว่าอินทรียังไม่แก่ก้าไม่สามารถที่จะละกามมคุณแมถุนสังโย ด, ด้ก่อน ก็ต้องผ่อนผันไปตามการเวลาเมื่อสั่งสมบุญกุศลมากเข้ามากเข้าบุญกุศลมีกำลังกล้าเข้าไปแล้วบัดนี้บุญกุศลนั่นจะดนบัรดาลให้เห็นโทษแห่งการมมคุณได้ในวันในวันหนึ่งเป็นอย่างนี้อย่าไปเข้าใจว่าบุญกุศลนี่น ะ, ะจะเราเราสั่งสมไว้เพื่ออย่างอื่นไม่ใช่นะ เราสั่งสมบุญกุศลนี่ไว้นะเพื่อให้เป็นกําลังใจที่เราจะละกิเลสตัณหานี่ยนะออกจากขีจใจนีนะ่นี่ขอให้เข้าใจกันให้มันชัดๆเลยเพราะว่าบุคคลที่ละกิเลสตัณหาไม่ได้นี่เพราะมีบุญน้อยพรามีบุญน้อยทั้งนี้ใจมันก็อ่อนแอเหมือนอย่างคนรับประทานอาหารน้อยๆเนี่ยนะแล้วจะไปทํางานหนักอย่างนี้ก็ทําไม่ได้เพราะอาหารไม่เพียงพอ กำลังไม่ Aires ไม่แข็งแรงเต็มเต็มอัดกลานะจะไปทำงานหนักไม่ได้เลยนี่เหมือนกันแหละจิตใจคนเราเนี่ยถ้าหากว่าบ <Singer> ุญกุศลมีน้อยเป็นกำลังอยู่ภายในแล้วก็สู้อำนาจกิเลสไม่ได้ก็ต้องไหลไปตามกิเลสอยู่ดีๆนี่เองเนี่ยเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเหตวอาการสั่งสมบุญกุศลจึงเป็นหน้าที่ของเราทุกคน ที่เกิดมาในโลกนี้มีทุกประจําตัวมาทุกคนอย่างนี้นะเราต้องการอยากพ้นทุกเหล่านี้เลยไม่มีทางอื่นเลยมิจะสั่งสมบุญกุศลนี้ให้มากขึ้นไปโดยลําดับเท่านั้นแหละสิง่งใดเป็นบาปเป็นโทษแล้วเราก็เพียรละมันออกไปให้มันคอยหมดไปสิ้นไปจา ก, ก จ, จิตใจให้เหลือแต่บุญแต่คุณนั้นตั้งมั่นอยู่ในจิตใจนี่ นานไปนานไปบุญกุศลนี่มันก็มีกําลังแก่กล้าขึ้นเมื่อบุญกุศลมีกําลังแก่กล้าขึ้นไปเท่าไหร่มันก็ขัดจัดกิเลสบาปธรรมให้เบาบางไปเท่านั้นแหละอจิตใจก็เบื่อหน่ายต่อกิเลสบาปธรรมเรื่อยไปแหละเพราะว่าบุญนั้นนะมันดนบันดาล น, นะเอบุญนั้นนหละดนบันดาลให้เราเบื่อต่อกิเลสตัณหาคนบุญน้อยนั้นไม่ไม่มีทางจะเบื่อกิเลสตัณหาไม่ได้ชอบ มีแต่พอใจมีแต่เพลิดเพลินดังที่เราจะเห็นได้นะคนส่วนมากนะไม่ยินดีที่จะเข้าวัดฟังธรรมเลยท้านถ้ามีคนเขามาโฆษณาว่าที่โน้นเขาจะมีฉายหนังนะมีภาพยนตร์แหมบู้จริงๆนะอะไรมีทั้งรักมีทั้งโศกมีทั้งบู้โอยตาลุกขึ้นเลย น, ะนั่นแหละไปกันล้นหลามเลยทีเดียวนี่ นั่นแหละคนบุญนอ้อยอ่ะดูเอาเถิดคนบุญน้อยคนตกเป็นทาสของกิเลสตัณหาพอเขาโคษนชนะเรื่องกิเลสตัณหานี่ตื่นเต้นเลยที<ะ> <TVs. S 2> เดียวเงินทองมีเท่าไหร่เสียมันไปไม่เสียดายเลยถ้ามีใครชวนมาวัดมาฟังธรรมยำสินหนุ่ยใจอ่อนพับเหมือนยอดไหว้ถูกไฟลุนเนี่ยออ<ะ>ไม่มีแล้วทางที่เข้มแข็งนะเป็นอย่างนั้น แต่นี้คนมีบุญมากนี่มันกงเงินข้ามเลยมองเห็นว่ามหรหสถคบงานต่างๆเหล่านั้นไม่มีสาระแก่นสารอะไรเลยนี่บุญกุศลดลบดาลให้มีปัญญาเห็นโทษแทงของเช่นนั้นนะไม่มีสาระแก่นสารอะไรสําหรับชีวิตของคนเรามันเห็นแต่อย่างนั้นแล้วมันก็ไม่เกี่ยวข้องเลยแล้วก็มองเห็นว่าการแสวงหาศีลทำบุญกุศลนี่แหละ นี่เป็นหนทางพ้นทุกข์ได้โดยแท้ เ, ออเมื่อเราสร้างบุญกุศลเต็มบริบูรณ์เมื่อใดแล้วเราก็พ้นทุกข์ไปได้เมื่อนั้นดังแสดงมาสมควรแก่เวลาพอยุติลงเพียงเท่านี้